อังคารที่หกกันยายนพุทธศักราช2559ห้าอห้าสิบวันนี้ฝนตกตั้งแต่เกือบตีหนึ่งตีสองมา้งหลวงพ่อเคดูดูฟังดูแล้วมันเหมือนกันลินพ่ำๆมาถึงตอนเช้านะก็ยังลินอีกแต่ฝนตกได้แต่ความชุ่มฉ่ำความชุ่มชื้น แต่น้ําคงไม่ได้เพราะว่าฝนตกไม่ได้น้ําได้เนื้อฝนตกมีแต่ความชุ่มชําร่มเย็นก็ดีดีกว่าไม่ตกนะถ้าให้ตกเลยตกไปเลยแล้วก็หยุดไปอันนั้นดีกว่าอันนี้ตกลินใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยดนะูดูทํำท่าจะตกตลอดทั้งทั้งวันจะลม่างวันนี้นะแล้วก็วันพระ พระวันนี้พระองเรา46ลงมาฉั้น32งดไป14องค์ปู่ดูดละบางตาวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ทางนายอำเภออำเภอนายุมานนมนฑลพระนะมาในมณฑลพระวัดเราคงจะไปฉันที่วการอำเภอทําบุญทําบุญที่วการอำเภอในมนฑลพระวัดเราเ้9รูป เพราะนั้นทําไม่มีอะไรหลวงพ่อคงจะไปฉันที่อําเภอนะวันพรุ่งนี้วันที่วันที่เนะจดนะไปฉันที่ที่ประการอําเภอในมนฑลพระก ร, ะรปูปนะเพราะว่าเป็นวันครอบครอบ ท, ที่ตั้งที่ตั้งที่วการอําเภอนายูมได้ยินท่านพูดอย่างนั้นเมื่อวานตัวของท่านเองมาในมนฑลท่านน า, นะานายอำเภออําเภอนายูแล้วก็เมื่อวานไปชุมพระนะเมืม่อ วานถ้าตามไม่จริงการประชุมพระของวัดเราเนะ้าก็รู้สึกว่าห่างเหมือนกันนะพระเนรลูกหลานไม่เหมือนสมัยหลวงพ่อไปอยู่กับองค์หลวงตาแตอยู่หลวงตาใหม่ๆ่ภาระของท่านคนก็ยังไม่มากอย่างว่านคนไม่มากนะสมัยหลวงพ่อเขาไปอยู่ใหม่ๆหมคนน้อยแต่ละวันไม่มีใครมาหรอก มีแต่คนรู้จักรักคุณมาส่งอาหารบ้างมาส่งสิ่งของถวายองค์หลวงตาบ้างลักษณะอย่างนั้นเราะนั้นหลวงตาจึงสมวันบ้างหวันบ้างเจวันบ้างมีการไปชงที่หลวงพ่อไปอยู่ใหม่ๆท่านก็ให้ธรรมะอบรมพระในวัดอย่างเพ็ดร้อนเหมือนกันพระว่าพระ ในรุ่นเก่าก็ไม่กี่องค์อย่างที่ว่านะโดยมากก็เป็นพระฝรัง่งแต่กับพระไทยก็มีรุ่นเก่าๆรู้สึกว่าลมหายตายจากไปตามไม่จริงถ้าเป็นรุ่นเก่ายัางเหลือทุกองค์ลูกิฉี์ลงหาลูกหาลงตาก็คงจะมากมายแต่ในรุ่นเก่าๆรู้สึกว่าไม่มาก ดูดูแล้วนึกย้อนหลังดูยุคยุคสมัยหลวงพ่อเข้าไปศึกษาพระรุ่นเก่านั้นต่าง ก, ก็ล้มหายตายจากไปก็มีสิกขาลาเพทไปก็มีแล้วก็หายเงียบไปก็มีไม่รูหายไปไหนยุคของหลวงพ่อมีแต่ยุครุ่นรุ่นช่วงช่วงหลวงพ่อจะออกมา จะออกจากหลงต า, ามีจุกท่านนพดลพวกท่านชิดท่านเฉลิมท่านนพดล เ, เนี่ยรุ่นนี้มีมากยังเหลือมากรุ่นนี้รุ่นที่หลวงพ่อจะออกมาเนี่ยรุ่นนี้ก็ประมาณ30 30กว่าพรรษาสามสกว่าพรรษาพระรุ่นนี้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 อ, อบางทีองคออ์ภาวนาไม่เป็นพูดไม่เป็นอีกต่างหากเอก็ไม่รู้จะพูดยังไงจะดุ่งเสด็จกลัวท่านก็กลัวเท่นีออ่มันมีเหตุพอมันมีเหตุท่านก็เลยจุดจุดถามเรื่องภาวนานี่แต่ว่าให้ภาวนานะพระทุกองค์มาอยู่ที่นี่เนะี่ยอย่ามาเป็นหมูนอนอยู่ในวัดไม่ได้นะ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 มาอยู่ปฏิบัติธรรมอย่าไป น, นอนจมนอนใจไม่ได้นะตั้งอกตั้งใจภาวนาตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัตเิเตรียมระวังกิเลสราคะโทสะโมหะที่เป็นนายพรานมันจะมายิงมาส่งอใจของเราตอนนั้นเร า, น า, น า, นานต้องระวังอย่าให้กิเลสไยต่ำไฟา ย, ยาบ เ, เข้ามา ทำร้ายทำลายเราต้องระวังเหมือนกับแม่เนื้อระวังนายพรานอันนี้เราฟังเทศวงดว ง, วงตาเราจะได้ยินธรรมเทศนาของท่า น, นขอให้พวกเราคณะัทธาทายาโยมผ้านเนนลูกหลานทุกองค์เกิดมาในพบพระพุทธศาสนาในพบพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ให้เป็นผู้ตั้งใจ สั่งสมอันไหนคือคุณงามความดีให้สั่งสมภาวนานะพูดง่ายๆพวกเรามาภาวนานะพวกเราไม่ได้มาทําอะไรมาอยู่วัดไม่ได้มาเพื่ออยู่เพื่อกินเพื่ อ, อ, อหาลาภหายศย์หาสั้ลเสริญให้เคินคนเยินยอเราไม่ได้มาเพื่ออย่างนั้นให้เราศึกษาในธรรมะลิกิตของครูบาอาจารย์ มีหลายๆองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำมริกขององค์หลวงตามหาบัวแล้วก็ทำมรดกครูบาอาจารย์หลวงปู่ล่าหลวงปู่ต่างๆถ้าเราอ่านศึกษาแล้วเราบวชมาเพื่ออะไรมันมีจุดมุ่งหมายนะไม่ใช่บวชมาเพื่อเล่นๆหลอกหอกหลวงๆไม่ใช่เราบวชมาเพื่อสแสวงหาทางพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสาร จะไม่มาขอเวียนไหว้ตายเกิดอีกต่อไปในใจของพวกเราพวกเราต้องศึกษาก็าศึกษาแล้วกันเดินตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินมาเดินตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านเดินอะไรอย่างไรจุดมุ่งหมายจุดมุ่งมั่นจุดยืนจุดสูงสุดของของพระธรรมคําสอนของพุทธะนั้นคืออะไร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 จุดมุ่งหมายของเราคือกรงุงกรุงเทพเป็นจุดศูนย์กลางถึงเราจะอยู่จันทบุรีอยู่แดนขเขมรหรืออยู่น้องคายาหรืออย่แม่ฮ่องสอนหรือจะอยูอ่ทางภาคใต้เราก็เดินทางเข้ามาสู่จุดที่มุ่งหมายของเราคือกรุงเทพมหานครนี้ก็เหมือนกัน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 อง์หลวงตามาหาบัธท ร, ร ม, มริกิจของท่านจะเป็นองค์ไหนก็ตามท่านจะพูดถึงจุดนี้ทกุกขบวนการในี่ความมุ่งหมายมุ่งมั่นของท่านแล้วนี่แหละอันนี้นให้พวกเราศึกษาในเมื่อศึกษาเข้าใจแล้วกเ น, น, นเราจะทำปฏิบัติอย่างไรจะทำคุณงามความดีอย่างไร ก็ขอบคุณงานความดียังไงให้ทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติมากน้อยอย่างไรแค่ไหนเราต้องเน้นไปทางจุดนั้นถึงจะรักษาศีลเสร็จแล้วก่นั่งภาวนาการนั่งภาวนาเนะี่ยแปลว่าเดินใกล้เข้าไปทุกทีแล้วนะพอนั่งภาวนาทำทำให้จิตใจให้สงบพอจิตใจสงบเท่านั้นแหละนั่นแหละแปลว่า ดืดเน่งรู้จักแนวทางเห็นขนทางแลถ้าจิตยังไม่เน่งจิตยังล้วนเลยอยู่นะ่ะมันหาไม่เจอนะไม่รู้ไปทางไหนคลําหน้าคลําหลังเหมือนกับเราไม่รู้จักทางเดินที่จะสู่มรรคผลนิพพานะจับทิศทางยังไม่ถูกนะไม่รู้จะเดินทางไหนแต่เมื่อเราทําจิตใจให้สงบแล้วนะ่ะไปวัดเดิน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 วิปัสนาคิดยังไงจริงจะเป็นวิปัสนาคิดยังไงจริงจะถูกต้องเป็นธรรมเกิดความเบื่อหน่ายคลายนติดที่แรกมันก็ต้องก่อนจะเป็นวิปัสนาท่านเขาว่าต้องเป็นวิปัสนึกสะกดนึกคิดตรึกตรองไตรตรองหาเหตุผลไม่ใช่ว่ามันมันจะออกเป็นวิปัสนา พอเป็นสมาธิแล้วมันจะจะโดดผางออกไปเป็นวิปัชนาลงต่าวน้อยมากไม่มีถึงขนาดนั้นหละ่ะเพราะฉะนั้นเวลาจิตใจของเราของเราก็สู่ความสงบแล้วต้องถอนออกมาจากความสงบแล้วก็มาวิปัชนนึกตรึกตรองตรึกตรองไตรตรองหาเหตุและผลในเมื่อหาเหตุและผลรู้จักเงื่อน ที่เราจะพิจารณาท่านให้พิจารณาอะไรนะจุดนี้แหละจุดมุ่งหมายของพุท ธ, ธนะท่านมีมากหลากหลายที่ท่านจะให้พิจารณาแต่เอาเถอนะเมื่อเราบวชเข้ามาเป็นพระบวชเข้ามาใหม่เป็นสมัมมณเนรบวชเข้ามาใหม่พระพุทธเจ้าให้พิจารณากรรมฐานห้านะกรรมฐานห้าก่อน เพราะให้พวกเรายึดกรรมฐานห้าของพระพุทธเจ้าเน่ยเกษาโลมาหนาขาทันทาตาตโจ เ, เกษาผมโลมาขนหนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตันี้อันนี้คือให้วิปัสสนึก น, นึกดูสภาพของผมสภาพของขนสภาพของเล็บสภาพของฟันสภาพของหนังให้ดูสภาพมันที่มันเป็นอยู่ของหนัง่ะ หนังของเราเนะี่ยถ้าไม่ชำระไม่ฟอกสบู่ไม่อาบน้ำเป็นยังไงฮนี่แลหละร่างกายของเราผลที่ถุดเมื่ออายุมากเข้าไปแล้วแก่เท่าชลาเข้าไปแล้วนะเป็นยังไงเหย่ยวย่นไปหมดผลที่ถุดถึงจุดจบของมันนี่แหละการพิจารณาพิจารณากรรมฐานห้า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 อันนี้ก็คือปิปัช น, นะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆองค์เนื้อพระลูกหลานจัทธาตญาตโยมนี่แหละคือวิธีการภาวนาสรุปแล้วสรุปแล้วก็คือไม่ให้หลงโลกหลงทางนั่นแหละอย่าไปติดอยู่ในโลกถึงจะอยู่เราเถอะเราเกิดมาแล้วเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะทำยังไงได้แต่ไม่อดไม่กินอาหารเฉยมันก็นไม่ได้ ไม่หายใ จ, จเฉยๆก็ไม่ได้แล้วก็ต้องเลี้ยงมันไปพอเลี้ยงมันไปเลี้ยงร่างกายไปเด็กจะไปหลงมันนะเถอเหมือนกับลูกหลานเกิดขึ้นมาใหม่ใหม่ๆก็ไม่เท่าไร่พอลูกหลานใหญ่ขึ้นมายิ่งยิ่งรักยิ่งยิ่งหลงลูกหลานเนะี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะั่นแหะใหม่ๆแล้วก็ยังไม่รู้จักร่างกายคืออะไรพอต่อมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเลยหลงในร่างกายของตนเองนะเถอนี่แหละมันหลง อมันหลงเท่านั้นะตัวนี้เราไม่ดีนะเนเพราะนั้นถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งมันก็ต้องไปตามสภาพของมันอย่าไปหลงร่างร่างกายเนใจเนะนะ้อเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถ้านอกจากทมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่รู้จะเอาหลักไหมาสอนเหมือนกันนะเออหลักธรรมคำสอนของพุทธะนี่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 พี่ไปพี่มาไปยังไงกันเออมันออกออกจากหลักเหตุผลมีตอกยกยอปอปั้นไปเลยเอ่อยกปองยอปอปั้นแบบนั้นเป็นมันทําไปยกยอปอปั้นไปแต่เออมันไม่ใช่ของจริงปอมันไม่ใช่ไม่ใช่ของจริงไงมันจะไปยกยอปอปั้นได้ขนาดไหนเอ่อผลในส่วนมันก็เออกลับมาที่เก่าอีอย่างเกา่าถ้าเห็นตามความเป็นจริงเออนี่ เมื่อเห็นตามความเป็นจริงถึงจะมากหรือน้อยเอีมันจะมีความรู้สึกนึกคิดอรู้เห็นตามความเป็นจริงเจอท่นานเจ้านั้นก็วางรู้จักสถานะารู้จักการปล่อยวางไม่ยึดมัน่นถือมัน่นนี่แหละคือหลักธรรมอยู่ในจุดนั้นนะ่ะพวกคณะสัตายาจอมพระเนรลูกลานถ้าตอนนี้ไปรับพรในรนะทนนี่นะ